<Book> 60อะไรไที่ธนาคารแบงกวัดดาดิฉันต้องการเปิดบัญชีนี่น่ะว่า Account อะระแล้วนั่นคุณตุลนานุนี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน อิดีก้อนนี้น้าพาสปอร์ตและนี่ที่อยู่ของดิฉันมาริโออิดีน่ชิรูนามะดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉันนี่นู่นน่ะเอคอนหรือดับนจำนนเชีะนักกตนนกัวนั่นดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉันนีู่่นอคอนนั่นเด็ดิบบสกวาานก ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีนี่นู่นแบงก์สเตเทเมน์นี่ที่สกอวัลันด์กุ น, นัดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทางนี่นูบบนมเสเช็น ก, ก น, นิก้าชูปนลอติสกอวัลันด์กุนัค่าทำเนียมเท่าไห ร, ร่คะรูสุโมเยนตดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะ นี่นสันตก็มีอักกระเยาลิดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันนี่นเจรมนี น, น, นี่ transfer วัสดุนี่อัตรชุศนันโนี่คือเลขที่บัญชีของดิฉันอีดิโกนีน า, าย code n u m b e เงินเข้าหรือยังคะ double วัชินดา ดิฉันต้องการแลกเงินนี่นูดับบลิ่มาชาลนะคุณนั น, น, นุดิฉันต้องการเงินดอลลา่าสหรัฐน้ากูย s ด o l ละกาวเลยครุณาขอแบงก์ย่อยค่ะได้เจซีน้ากูชิลละ์ะไรกั ล, ละที่นี่มีตู้ ATM ไหมคะอีกกะด้ยักกะด้นะ c a s h ATM ีเอ็มบุนดาสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะวกการิกาเกยันทดัด บ, บุญตียัดชูใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะเย่เย่เครดิตการ์ดลลนี่วาดัชชูกรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e